สลามุอะลัยกุมวรห์มัตุลอฮิบะบุรการะทุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสวรรค์นในบ้านอันกุณอันรัรรกนะครับซึ่งอยู่กับผมนายอันริสซาและนักเรียนฟอนศาสนานสาสนุบธรรมตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งรายการนี้ส่งเสริมให้ครอบครัวทำภารกิจอันกรุณาอันกำและก็มีวิทยากรก็คืออาจารย์มุตตะเฝอจุเ็นสุ เตรียมรับฟังรับชมกันได้เลยครับอ้อนิลยอัยสุรอะไรนะสุรออะไรสุรออิสรออัลอิสรออายที่หสบสนะอ่านครึ่งอายาพอ อินนัชชัยตนะนลิลอินซานอุดวัมบีนะอ่านทีละคนเธออ่านก่อนอินนัชชัยนะนลิลอินซานอดวมโูบีนะอ่านถูกไหมอ่านถูกไหมถูกนะอ่าเธออ่านเธออ่าน a u z u b i l l a h a l h u l i l l a h a n a u b i l l a h i h i n a s y a i t a n rajim. Inna s y a i t a n a rajim, kana l i l i n s a n i aduamubina. m a s y a a l l a h andi jing outer. a h a m d u l i l l a h kan. a l h a u l i l l a h i h i n a s h a y t a n i m Inna s y a i t a n a kana l i l i n s a n i aduamubina. Aku m a duduk a m p u r อ่อินนาแปลว่าอะไรแท้จริงอินนาแปลว่าแท้จริงอัชัยตอนชัยตอนแปลว่าอะไรอะไรละตัวมาได้จะกระเทาะชัยตอนนะมาได้เนี่ยนะกา้านะเป็นลิลอินซานสาหรับมนุษย์สําหรับมนุษย์เป็นอะไรอาดูนอาดูนแปลว่าศัตรูหรืออานิมีในภาษาอังกฤษ อดูนแปลว่าอะไรนะศัตรูหรือแอนิเมอดูนแปลว่าศัตรูมูบีนะที่ชัดแจ้งที่เปิดเผยตรลงว่าอายันี้วักนี้ต้องการจะสอนว่าไงนะนี่อัลลอ์ประทานอันกรุาอา ล, ลงมาเนี่ยะอะไรนะอัลอิสรามอายะที่53สบาบอกว่าแท้จริงชายต่อ น, นั้น เป็นศัตรูกับมนุษย์อย่างเปิดเผยกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมก ล, ลัวครับอ่ากลัวไหมกลัวใช่ตอนเป็นศัตรูนะใช่ตอนเป็นศัตรูแบบนี้ใช่ตอนกับยินนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอพี่น้องจะต้องเข้าใจนะยินกับใช่ตอนเนี่ยยินมีสองอย่างสองประเภทยินที่เป็นมุมิน อันนี้อยู่กับมุสลิมนำมาที่มัสยิดเหมือนกันแล้วก็อ่านคุณอ่านเหมือนกันแต่ยินอีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่เอาอิสลามต่อต้านอิสลามต่อต้านนาบีมุฮัมมัดแล้วก็กลายเป็นกลุ่มเดียวกับชาตอนต้องเข้าใจเป็ น, นี้ด้วยมรคลูกสิ่งถูกสร้างที่อลัลลอฮ์สร้างมาบนโลกนี้เนี่ยมนุษย์อลัลลอฮ์สร้างมาจากอะไรดินสร้างดินมาเนี่ยอลัลลอฮ์สร้างคนมาในสีแบบนะหนึ่งสร้างอาดามัม พ่อแม่มีไหมไม่มีสร้างภรายาของนบีอาดัมโตฮาวาเนี่ยมาจากอะไรสี่โครงผ่านผู้ชายไม่ผ่านผู้หญิงผ่านพ่อไม่ผ่านแม่สร้างแบบที่สมสร้างนบีอิสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อต้องการจะโชว์อะไรโชว์ความสามารถของอัลลอ์ไม่จะโชว์พยาูไม่จะโชว์นบีอีสาจะโชว์อะไร โชว์ความสามารถของอัลลอฮ์ที่สันสามารถสร้างคนผ่านผู้หญิงได้คือนบีอีซาสร้างตอฮาวาผ่านผู้ชายสร้างนาบีอาดัมไม่มีทั้งผู้ชายเลยมีทั้งผู้หญิงไม่มีทั้งพอ่อทั้งแม่อัลลอฮ์สร้างมาอย่างพวกเราวันนี้เนี่ยผ่านทั้งพอ่อแล้วก็ผ่านทั้งแม่เข้าใจนะนั่นการสร้างของใครนะการสร้างอัลลอฮ์สร้างคนมาในสี่แบบที่ที่สร้างมัลาอิกามาจากอะไรรัศมี สร้างไชตอนมาจากไฟสร้างยินมาจากเปลวไฟรู้เป่าสิเปลวไฟสร้างยินมาจากเปลวไฟอ่ะพูดใหม่สร้างมนุษย์มาจากดินสร้างมะละัยกามาจากรัศมีสร้างยินมาจากเปลวไฟสร้างไชตอนมาจากไ ฟ, ไฟทีนี้ไชตอนกับยินเนี่ย อัลลอฮ์เล่าในะกะทีคุรอ่านบอกว่าอาดูนเป็นอะไรนะเป็นศัตรูที่ชัดแจง้งที่เปิดเผยชัดๆเลยยินกับชายตอนนี้นะที่อัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษเนี่ยมากกว่ามนุษย์เนี่ยรู้ไหมกี่รายการเจดรายการอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษกับยินและชายตอนกี่รายการนะเจ็ดรายการซึ่งเราสู้มันไม่ได้อยู่แล้วรายการที่หนึ่งมันเป็นศัตรู ที่มองไม่เห็นตัวแต่มันเห็นเราเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นแต่ชายตอนมันเห็นเราและยินมันเห็นเราแพ้หรือยังเราแพ้มันอยู่แล้วประการที่สองยินละชายตอนนี่นะมันเปลี่ยนอิริยาบถไวมากมันเคลื่อนไหวนี่ไวมากเลยเช่นจากหาดใหญ่มากรุงเทพมาแป๊บเดียวถึงเราหนชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงอะ่ะ ต้องไปเตรียมตัวทีทท่สนามบินหาดใหญ่กว่าจะนั่งเครื่องบินแอร์เอเชียมาไทายยิ่งเติมมาโอ้โหชั่วโมงกว่าแต่ข้างมันมาบินแป๊บแป๊แปไปมาเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนไหวไหวมากอันที่สามยินนี่นะจะใช้ตอเ น, นี่ยมันแปลงร่างได้แปลงร่างได้บางทีมันก็แปลงมาเป็นแมวแปลงมาเป็นสุนัขแปลงมาเป็นคนแปลงมาเดินอยู่ในบ้าน ที่ไหนได้ยินใช่ไหมเนี่ยความสามารถที่อัลลอ์ให้พิเศษมากกว่ามนุษย์ถึงเตีดายกาันข้อที่หนึ่งมันเห็นเราเราไม่เห็นมัน ข, ข้อที่สองมันเป็นศัตรูข้อที่สามมันแปลงร่างง่ายข้อที่ 4. ีอะไรรู้ไหมมันบินได้มันบินบินตับต๊บตๆบต บ, บินอยู่ขึ้นไปบนบ น, บนอากาศไปสมัยก่อนเนี่ยขึ้นไปแอบฟังเรื่องราวของอัลล์ ที่บอกกับมาเลย์กาให้มาดูแลให้ฝนตกให้แดดออกให้คนนัานตายคนนี้เป็นมันไป อ, อ, อัลลอฮ์สั่งมาเลย์กามาทํางานยินก็บชายตอมนมาขึ้นไปแอบฟังดูแล้วมันก็เอามาอะไรนะมาหาพวกหมอดูทั้งหลายถ้าท่านยินชายตอนเนี่ยมันคบกับใครนะหมอดูหมอดูก็คบกับพวกยินและชายตอนไม่คบกับมาเลย์กาอาทิตย์นี้ต่อมาครับแล้วก็ยินกับชายตอเนี่ยวลาแล้วมันวิ่งในเส้นเลือดของมนุษย์เวลามันวิ่งเนี่ยนะ วิ่งในเส้นเลือดเลยนะมันจะวิ่งที่ตัวนะวิ่งที่ไหนในเส้นเลือดใช่ัหมอยู่ข้างในเส้นเลือดนี่เลยต่อมาครับยินไชตอนเนี่ยมันสร้างความสับสนขึ้นที่หัวใจมันมากระซิปที่หัวใจมีหลายคนเข้าใจผิดว่ากระซิบที่หูกระซิบที่หูนะี่ไม่ใช่ยินคนใช่ไหมอย่างคุณพ่อคุณแม่กระซิบที่หูลูกเอาตังค์ไปร้อยบาทพอนะอย่าเอาเยอะนะใช่ไหม คนในกระซิปที่หูแต่ยินละชายตอนกระซิปที่ไหนที่หัวใจและต่อมาอีกข้อหนึ่งยินละชยตอนเนี่ยสร้างทําอันตรายที่ร่างกายแล้วก็ที่ไหนนะที่สมองของของคนเช่นใครที่สูบบุหรี่เยอะๆชาตอนมันมาเลยและชายตอนเนี่ยมันมาสร้างอะไรนะคนที่สูบบุหรี่ติดยาเสพติดมาทำลายทำลายสมองนั่นอิทธิพลของใครนะ ของยินรัชตอนเนี่ยมีเหนือกว่ามนุษย์เกียรติการนะเจ็ดรายการด้วยเหตุนี้เราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่างเดียวขอจากคนอื่นไม่ได้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้ไหมไม่ได้ขอจากโต๊ะตะเกียรได้ไหมไม่ได้ขอจากโต๊ะระยองให้คุ้มครองยินรัชตอนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องขอจากขอจากอัลลอฮ์ขอจากอัลลอฮ์มีอยู่ทางเดียวต้องอะไรอ่านอะไร อ่านอันกูอ่านเล่มที่เราถือนี่แหละอ่าอ่านอันกูอ่านเล่มนี้แหละที่นี่นบีสอนอย่างงี้ให้อ่านกูอ่านในประมาณแปดแปดรายการที่หนึ่งอ่านอูซูบิลละลองอ่านซิอูซูบิลละยิมินาชิปอนิโรยนี่เรื่องที่หนึ่งชตอนนี้เลยต่อมาเรื่องที่สองอ่านบิสมิลละ Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki tiga, baca surah Fatihah. Baca. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Maliki yaudhidiin. Iya. Kenapa? Iya. Kenas? Baca jawab. Iya. ดิน the ั่งศรัตุลมุตสติมศร ص ِ ر َ ا ط น ا ل َّ ذ ِ ي ن า أ َ ن ْ عليهم ไรَ่ะมรดุบัติอยู่มวลละต่ ي ลีเชตอนนี้เลยต่อมาข้อที่ห้าอ่านสุร่าข้อที่สี่สิอัลสุร่าบะกอร์อยามาสุร่าบะกอร์เนี่ย ยาวที่สุดในการพีคุรานวันนี้คนอ่านอ่านอ่านไม่ได้แล้วแหละเวลาหมดพอดีกว่าจะอ่านก็สองสามชั่วโมงใช่ไหมเอาต่อมาข้อที่หกอ่านอายะคุสีเอาอ่านสิอัลลอฮลาอิลัยลลาฮอัฮยุลกุยมลาตัคซินตุมวะลามละฮูมฟิสมมาวะติวมาฟิล้อ มَ้ันที่ยาชั่ร์งด้อวْอِ ه, ه ي ับี้้ مَا ََ้้้้้้้้้้้ م ้้้้้ ي ط َِ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ا ้้ م َ้้้้้้้้้้้้้้้้ س ِ้้้้้้้้้้้้้ و ้้้้้้้้้ أ ้้้้้ ว لا يأوده حفظه ما والعلي الراضي เซตอนนี้หมดละกระจายนะเฉลยจาจารย์เนี่ย้าแล้วฮกอ่านสุราอิ خلاص قل هو الله أحد الله الصمد لا يلد ولا يولد ولا يكُلَهُ كُفُون أ แหกข้อที่เจนอ่านสองสุราพร้อมๆกัน سورة ا ل ف ل ق وسورة الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غ ا س ق ا ذ ا و ق ب ومن شر النفاسات في ا ل ع ق د ومن شر حاسد إذا حسد ا ا ل ا ح س د قل أعوذ برب الناس มาลิกินนสัสอิลลัฮินนสัสมินชัลริลวาสวาสิลขอนนัสอัลลอียวูวาสวอิสุฟิสุดูรินนัสมินัลจินนติวันนสัสนี่แหละทั้งหมดนี่มันแปดอะไรกันอ่านอย่างนี้ตอนเช้าก็อ่านตอนบายบายก็อ่าน ตอนเย็นเย็นก็อ่านตอนกลางคืนก็อ่านเช่นต้องการจะให้ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นฮาฟิสคุรานท่องจําคุรานเนี่ยมีอยู่ที่แม่ถ้าแม่ท่องจําคุรานสุรบะกรอตอนอยู่ตอนอุ้มคันอยู่นะเด็กคนนี้ต่อมาพอมาเรียนคุรานนะถ้าหมอในบ้านทีนี้ก่อนอนเนี่ยนบีสั่งนี่นะให้แปรงฟันสอนให้อาบน้ําไร อ่านน้ำนำมาดอันที่สามให้ตะปัดที่นอนที่นอนพวกเธ อ, ต, อ, ต, อต้องต้องต้องตะปัดเปล่าตะปัดนะไม่ใช่อดไม่ใช่ปูเ ป, ป็นปีเลยนะต้องตะปัดทุกวันนะอย่าให้ที่นอนเป็นไส้หมูนะขดไปไส้หมูหมอนก็ต้องสะอาดด้วยนะต้องซักนะข้อที่หนึ่งอ่านอะไรนะ ให้อาบ น, านา้ํานมารอันที่สองแปลงฟันอันที่สมอาบ น, านา้ํานมาสการอันที่สี่สตะปัดที่นอนอันที่ห้ายกมือขึ้นเป่าอ่านสามคุณนี่แหละนะเป่าก่อนแล้วก็อ่านที่หลังแ ล, ล้วลูบไปทั้งตัวถึงสมครั้งแล้วก็อ่านอายะกุศีแล้วก็เวลาจะนอนก็อ่านสุภาโนร์ด้วยสุภานรลด้วยสุภาโนร์ด้วยอี3สาาครั้งอัลฮามดุลิลลาอีกสาครั้งแล้วก็อัลลอฮฺอักบันอีก3ามครั้ง แล้วก็นอนแต่แขงขวาเอามือขวาจับอะไรจับแก้มขวานอนแต่แขงขวาอ่านว่าไงนะบิสมิกลลอฮุ ม, มะอะมูตุวะอาหยาแปลว่าอะไรฉันขอนอนด้วยนามของอัลลอฮผู้ทรงให้ฉันตายแล้วก็ให้ฉันเป็นตายก็เป็นนะในวันนห้นใหให้เรานอนหลับแล้วก็ฟื้นฟื้นขึ้นมา หรือก็ตายจริงในวันกิลมัดฟื้นขึ้นมาก็ได้มันมีความหมายใหญกว้างแฉะนั้นถ้าเราอ่านกุ้อ่านนี่นะเจ็ดปดรายการนี้ตอนเช้าเชาก็อ่านก่อนนม้นนมาสุก่อนหลังน้มาสุโบสเ็จแล้วก่อนตอนตะวันขึ้นพยายามอ่านนะแล้วแบบดูอ่านบทอื่นด้วยแล้วก็ตอนเย็นเย็นก่อนตะวันตกให้อ่านตอนกลางคืนก่อนนอนให้อ่านรู้ไหมไล่อะไรไล่ยินละใช่ตอนละใชต่ชตอนมีอิทธิพลมันเยอะไหม <Yeah. S 1> มีกีราการเหนือกว่าเรานะ เจ็ดรายการคัมแปรอีกครั้งหนึ่งนะแท้จริงไสตตนเป็นศัตรูกับมนุษย์เปิดเผยใช่มเปิดเผยมูบีนแบบชัดแจ้งเปิดเผยเลยซ่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังเจ็ดรายการผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดลลัลลอฮ์อะลัยฮสซลลัมดี๋วนี้รู้ไหมไซต์ตนมันชอบอะไรชซต์ตนมันชอบอยู่กับเด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆ จะเห็นว่าเด็กเนี่ยร้องเรื่อยไอ้ร้องเนี่ยสวนใหญ่ก็มาจากไตตอนนั่นแหละยิงร้อนตอนตีสามตีสีเนี่ยพ่อแม่มังทีงงไอ้ร้องทาไมก็ให้อ่าให้แม่แม่ชลาตอนนึกถึงเออนึกถึงกุอ่านอ่คุณวรละอาอุบิลละอ่นบิสมิลลใช่ไหมอ่านสุราะสุลาะฟาติฮะอายาคุซีใช่ไหมสุราะบาการแล้วก็อ่านที่ ท, ท, ท, ที่ที่่นา ม, มอตตะกี้เนี่ย น, นะ ไล่ชาตอนแล้วก็ลูกไปที่ตัวเด็กด้วยและชายตอนเนี่ยมันชอบชอบอยู่กับผู้หญิงที่ท้องฉะนั้นผู้หญิงท้องนี่นะให้อ่านคุรานเยอะๆเช่นต้องการจะให้ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นฮาฟิซคุรานท่องจำกุรานเนี่ยมันอยู่ที่แม่ถ้าแม่ท่องจำคุรานสุร บ, บากกรรตตอนอยู่ตอนอุ้มคันอยู่นะเด็กคนนี้ต่อมาพอมาเรียนคุรานนะ ท่องจากกุูอ่านง่ายมากเลยเพราะอะไรเพราะแม่เนี่ยอ่านกูอ่านตอนท้องเนี่ยมันซึมลงไปในถึงถึงลูกหมดเลยถ้าแม่นั่งดูละครเนี่ยนะพอลูกออกมาก็อ่านเล่มดูละครเลยแหะติดละครเป็นหมดเลยแต่หากว่าแม่เนี่ยชอบนินทาคนว่าคนทะเลาะกับคนด่ากูนั่นดานน่ากูนี่ลูกออกมาก็ดา่าของยิ่งกว่ามะมันอีกเ<ม>ข้าใจมา เพราะฉะนั้นแม่ตอนตอนตอนตอ น, ต อ, น, ต อ, น, ต อ, นอุ้มคันเนี่ยจะต้องเรียนอิสลามว่าอิสลามเนี่ยสั่งให้ผู้หญิงตั้งคันเนี่ยทำอะไรเพราะฉะนั้นแนะนํำไปทําอะไรดีนะอ่านอัลกุรอานท่องจําอัลกุรอานแปดเก้าเดือนเนี่ยท่องได้กี่ยุทอ่าเธอขจ า, ายใช่ไหมแปดเดือนเนี่ยถ้าอ่านทุกวันทุก ว, วันเนี่ยท่องดาสูรอปะกรอท่องจำหมดเลยินชออีอยละนะเพราะฉะนั้น ชายตอนเนี่ยชายตอนกระยินมันชอบอยู่กับผู้หญิงตัวเล็ก เ, เด็กตัวเด็กอ่อนๆที่ข้อดออกมาสาวชายตอนมันชอบอยู่กับใายหนะผู้หญิงที่ต่างคันและชายตอนมันชอบอยู่กับคนที่ทะเลาะกันคนที่เถียงกันอ่าโยแยบบรรยุยยให้หมดเลยอย่างยิ่งก็คือผู้หญิงสามีและภรรยานะครับที่ทะเลาะกันพูดไปเกินสามคำแล้วก็ตีกันต่อยกันท่า น, นอิทธิพลชายตอนหมดเลย และชัยตอนเนี่ยยินนี่นะมันชอบอยู่ในห้องน้ำเธอจาไนะถ้าใครล้มในห้องน้ำเนี่ยนะชัยตอนมันแกล้งและยินมันแกล้งด้วยทำให้หลายคนเนี่ยตายในห้องน้ำมาเยอะแล้วฉะนั้นวิธีปกป้องก็คืออ่านดูอาดูอาว่าไงอัลลอฮุมะอินนีอัซูบิกะมินัลคุบุซีวะลคอบเอาเท้าอะไรเข้า ท่าซายระว่างนาตกท่าซ้ายนะทตนี้บางคนเนี่ลืมอ่านปวดทั้งชีอย่างแรงวิ่งเข้าไปก่อนมันนึกได้อ้าไม่ได้อ่านให้อ่านในใจนะของน้าอย่าอ้าปากนะให้นึกในใจนึกกันจ่าเดี๋ยวนี้พอจะออกก็เอาเท้าขวาออกก่อนแล้วก็มาอ่านดุอธรณ์ข้างนอกกุฟรอนะกายฉะนั้นที่กุรานอธิบายให้เราฟังบอกเลยนะสุรัสอิสรอิสรออายาที่ห้าสิบสบอว่าไงนะ อินชาอิตอนะกานาลิลอินซานอดูัมมูบีนเธอท่องท่องจำยังอัลบิกุรอานวสิอินชาอิตอนะกานลิลอินซานี่อาดูอัมูบีนยากไีมไม่ยากไม่ยากนี่และกรุรอานแล้วถ้าถ้าเราอ่านกรุรอานนะถือกรุรอานยู่เป็นประจำเนี่ยอะไรหนีใั่ตอนหนีแล้วก็ท่องจำกรุรอานด้วยอ้งว่าอีกเที่ยวหนึ่ง อินนัชไชคอนาคานาลลอินซานีอาดูวัมมูบีน่าเนี่ยท่องสมครูอ่านให้ได้นะกาน้าอินซานแปลว่ามนุษย์อดูวุลนแปลว่าศัตรูมูบีนแปลว่าชัดเจนใชตอนแปลว่าตัวมาแล้วไชตอนเนี่ยได้สักปีครั้งเม่เนี่ยห้าหกคำแล้วพูดไหม อินนัชชัยกอนะคนลิลอินซานนอุดวามูบีนะสุรตอะไรนะอิสรัตสุรที่สิบเจ็ดอายาที่ห้าสิบสามก็เธอไปกลับดูนะกลับไปหอพักก็เปิดนะเปิดกุรอานเนี่ยอ่านสมัำสมอย่าอ่านเยอะอ่านอายาหนึ่งสองอายาพอแล้วแล้วก็ดูความหมายของอัลกุรอานครับ อ่าหมดแล้วนมดหมดหมดหมดเวลานะอินชาอัลลอ์ก็ขอทุกอวะพร้อมกันสุบฮานะกัลลอฮุมะบิหัมดกะอัดลลอิลละิลลอันตะอัสตักฟิรุกาวะตูบุญไลกะไลกาตบรคับ